ขอเจริญพรท่านผู้สนใจการฟังธรรมบรรยายจากพระสูตรทุกท่านสำหรับหัวข้อธรรมบรรยายเกี่ยวกับพระสูตรในวันนี้อาตมาพาดจะพูดถึงเรื่องประทมมรณสติสูตรคือพระสูตรที่ว่าด้วยการเจริญมรณสติพระสูตรที่ว่าด้วยการเจริญมรณสติ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 ปฐมมรณาสติสูตรมีบันทึกไว้ในคำพีอังคุตรณนิกาอกรอธากนิบาทพระไตรปิฎกเล่มที่ยี่สิบสามท่านที่ต้องการทราบรายละเอียดก็หาอ่านเพิ่มเติมได้ทีนี้เนื้อหาของปฐมมรณสติสูตรนั้นว่าอย่างไรเรื่องของเรื่องก็คือพระพุทธองค์ได้ตรัสถามภิกษุแปดรูป ว่าแต่ละรูปนี้มีวิธีเจริญมรณาสติกันอย่างไรภิกษุทั้งแปดรูปก็กราบทูนวิธีที่แต่ละองค์แต่ละรูปเนี่ยได้ใช้เจริญมรณาสติในชีวิตประจาวันถวายเมื่อแต่ละรูปนี้กราบทูนวิธีเจริญมรณาสติคือวิธีระลึกถึงความตายของตัวเองถวายแล้วพระพุทธองค์ก็สรุปสาระสาคัญของ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 ดังนั้นจึงควรรีบสนใจคำสอนแล้วน้อมนำมาปฏิบัติรูปที่สี่กราบทูลว่าเราอาจมีชีวิตอยู่เพียงชั่วขณะฉันอาหารมื้อหนึ่งแล้วก็มรณนะดังนั้นต้องเรียบสนใจคำสอนแล้วน้อมนำมาปฏิบัติรูปที่ห้กราบทูลว่าเราอาจมีชีวิตอยู่เพียงชั่วขณะฉันอาหารกึ่งมือ้อกึ่งมื้อคือยังไงตายคาวงข้าว ยังฉันไม่เสร็จเลยสำลักเม็ดข้าวติดหล่อนลมตายนี่เรียกว่ากึ่งมือก็อมอรณะดังนั้นจึงควรรีบสนใจคำสอนแล้วน้อมนำมาปฏิบัติรูปีหกกราบทูลว่าเราอาจมีชีวิตอยู่เพียงชั่วขณะฉันข้า4สี่ห้าคำแล้วก็มรณะเพราะฉะนั้นต้องรีบเจริญมรณะสติทำความเพียร รูปที่เจ็กราบทูลว่าเราอาจมีชีวิตอยู่เพียงชั่วขณะฉันเข้าหนึ่งคำแล้วก็ดิ้นพัดพรัดเลยถึงมรณะดังนั้นต้องเรียบสนใจคําสอนแล้วน้อมนํามาปฏิบัติรูปที่แปกล่าวทูลว่าเราอาจมีชีวิตอยู่เพียงชั่วงขณะหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็มรณะคือตายความตายอยู่แค่ปลายจมูกเพราะฉะนั้นต้องรเรียบเจริญมรณสติ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 อาจจะตายล้มพับลงไปคาวงข้าวก็ได้แล้วรูปที่หกก็บอกว่าชั่วขณะฉันข้าวสี่ห้าคำยังไม่ทันดื่มน้ำเลยตายพระพุทธองค์บอกว่ารูปที่หนึ่งถึงรูปที่หกเนี่ยถึงแม้จะเจริญมรรสติแต่ก็นับว่ายังเป็นการเจเรเจิญมรรสติอย่างเบาๆยังประมาทอยู่รูปที่เจ็ดที่บอกว่าเราอาจมีชีวิตอยู่เพียงช่วขณะฉันข้าหนึ่งค แล้วชีวิตอาจจะล่วงรับดับขันไปก็ได้ฉันเข้าไปด้วยจเจริญมรณสติไปด้วยอย่างนี้นี่เรียกว่าใช้ได้แล้วไม่ประมาทรูปที่แปดเรามีชีวิตอยเวียงช่วงกะหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็จเจริญมรณสติทุกลมหายใจเข้าออกนี่นับว่าเป็นยอดจเจริญมรณสติอย่างนี้นี่จึงใช้ได้คุณยมลองคิดดูสิว่า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 เมืองไทยจะสะอาดขึ้นเพราะอะไรเมื่อพูดเรื่องความตายเนี่ยรักตัวกลัวตายจะทำให้ละอายชั่วรักตัวกลัวตายละอายชั่วพอละอายชั่วก็เลิกทำบาปเท่านั้นเองแต่เมืองไทยในยไม่ส่งเสริมให้พูดเรื่องตายในวัฒนธรรมพุทธที่แท้จริงเรื่องความตายต้องพูดกันบ่อยๆอย่างที่อธตรมาภาพยกเนื้อหาของพระสูตรมาเล่าให้ฟัง ทีนี้ถามต่อไปว่าในการเจริญมรณะสติเราจะเจริญอย่างไรจรึงจะมีประสิทธิภาพอัตมภาพจะให้หลักในการเจริญมรณะสติเป็นการขยายความจากพระสูตรนี้ออกไปอีกทีหนึ่งแต่ก่อนที่จะเจริญมรณะสติต้องมาทำความเข้าใจความหมายก่อนมรณะสติแปลว่าอย่างไรมรณสตินี้มาจากคำสองคาคือคาว่ามรณะ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 ถ้ากับฆ่าคนถ้าพระแนะนําให้ฆ่าก็ปราชิกแนะนําให้ทําแทนก็ประชิกฟังหมอหมออาจจะอนุญาตก็ได้บางท่านอาจจะไม่อนุญาตก็ได้ฟังนักจิตวิทยานักจิตวิทยาอนุญาต เ, า เ, ราานนะเราถามคนนั้นเราถามคนนี้แต่เราลืมถามเด็กในท้องในฐานะเป็นเจ้าของชีวิตควรจะให้เขาตายไหมปัญหาซึ่งวิญญาณใช้ยากๆอย่างนี้แหละคือชีวจริยธรรม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 แต่พอจิตดวงสุดท้ายที่เรียกว่าจิตจุติจิตนี่พอมันดับปุ๊บมันขาดการสืบต่อและแล้วมันกลายไปเป็นปฏิสนธิจิตคือจิตที่ไปเกิดในพบใหม่ถ้าจิตดวงสุดท้ายดับลงอย่างนี้นี่เรียกว่าตายได้เนี่ยคือมอรณะในความหมายทางธรรมหมายเอาอาการที่มันจิตดับลงไปถ้าจิตดับลงไปแล้วถึงรูปร่างสังขารจะสวยงามยังไงก็จะไม่มีความหมาย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 ตายในเวลาอันไม่สมควรการละมรณะคือตายในเวลาอันควรนั้นเป็นอย่างไรท่านบอกว่าตายเพราะสิ้นบุญ 1. ตายเพราะสิ้นบุญ 2. ตายเพราะสิ้นอายุสาตายเพราะสิ้นทั้งบุญสิ้นทั้งอายุตายเพราะสิ้นบุญเป็นอย่างไร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 คือกรรมดีๆที่ทําแล้วส่งให้เรามาเสวยบุญมาในปัจจุบันน่ะมันส่งมาบรรสุดอะไรส่งเมื่อเราว้าก้อนหินขึ้นไปบนท้องฟ้าพอสิ้นแรงเหบี่ยงหินตกลงมานี่เรียกว่าตายพระสิ้นบนแรงเหบี่ยงมันสิ้นมันก็ตกก็เป็นธรรมดาไม่มีอะไรจะเอาไว้อยู่โยนก้อนหินลงนะ้ําไม่ว่าก้อนหินก้อนนั้นจะเป็นก้อนหินขนาดเครื่องก้อนเท่ารถตู้คันหนึ่ง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 ใครทำอะไรไม่ได้เหมือนลูกปิงปองอะ่ะคนมีบุญคุณโยมลูกปิงปองนะใส่ในถังน้ำแล้วกดให้มันจมนะกดเลยปล่อยมือเมื่อไหรมันก็ฟูไม่มีทางจมเช่นเดียวกันคนที่บุญนำผานี้จะมีความสุขความเจริญไม่ว่าจะมีอุปสรรคความหนาวยังไงเขาก็ฝ่าไปของเขาได้แต่วันไหนก็ตามที่บุญนั้นหมด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 บวกลบไม่มันมากไม่น้อยไปกว่านั้นอาจจะเก้าสิบตายเก้าบห้าตายเกตายร้อยปีตายร้อยหปีตายร้อยหกปีตายร้อยี่สิบปีตายอย่างนี้เรียกว่าตายเพราะสิ้นอายุคืออยู่มาจนรูปร่างสังขารมันถูกใช้งานจนสึกรรอหมดแล้วเซลล์ทุกเซลล์มันเก่ามันคร่ำอยู่ต่อไม่ไหว ทานอาหารลงไปกระเพาะขี้เกียจย่อยแล้วย่อยมาเป็นร้อยปีไม่ย่อยแล้วปล่อยให้เรอออกมาซะสมองมันจาอะไรมาเป็นร้อยปีมันขี้เกียจจาแล้วเส้นเลือดแตกนะหูตาฟ้าฟังใช้มาเป็นร้อยปีทรมานมันเลอะเกินหมดอายุการใช้งานสังขารต่างๆเซลล์ต่างๆนี้หมดสภาพถูกใช้งานมาหนักหนาสหัใครไม่ต้องไปทาอะไรนะ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 ลูกหลานไม่โศกไม่เศร้าเพราะอะไรเข้าใจโลกแล้วท่านอยู่มานานก็ปล่อยให้ตายไปนี่เรียกว่าตายเพราะสิ้นทั้งบนสิ้นทั้งอายุมีเยอะแยะทีนี้เป็นอากาละมรณะตายในการอันไม่สมควรเป็นอย่างไรท่านบอกว่าอากาละมรณะในความตายในการอันไม่สมควรเกิดขึ้นเพราะกรรมมาตัดรอนกรรมอะไรที่มาตัดรอน ก็กรรมที่เราได้ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเบียดเบียนสรพพชีพสรรพ ส, สัตว์ทั้งหลายให้เดือดเนื้อร้อนใจอากาและมรณะสังเกตได้ง่ายมากคือเป็นความตายที่เกิดขึ้นปรับปรับปัจจุบันทันด่วนเรียกเป็นภาษาไทยไทยก็คืออุบัติเหตุตายเพราะอุบัติเหตุอากาและมรณะกรรมที่จะเข้ามาตัดรอนนี่จะเห็นชัดตอนไหนตอนที่เราประมาท เมื่อเกิดเม้อุบัติเหตุเกิดขึ้นเนะ่ตอนที่เราประมาทคุณโยมเคยคิดไหมว่ารถชนกันช่วงไหนมากที่สุดไม่ใช่ทางโค้งเนะแต่เกิดบนทางเรียบทางตรงทางสะดวกบางครั้งทางด่วนเพราะอะไระไม่ใช่เพราะหนทางมันดีเกินไป แต่พราเราวางใจประมาทพอไปทางโค้งนะหน้าผาสูงชันนะโอโหคนขับรถนีน่แทบจ ะ, จะเจริญสติกับพวงมาลัยรถไม่เคยตกขับยังดีแต่พอไปถึงทางตรงเนี่ยรถภาพป่าเนี่ยไปเทกระจัดทุกปีครั้งแล้วครั้งเล่าเพราะอะไรมันขับสบายขับไปฟังเพลงไปคุยโทรศัพท์ไป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 เหยียบพรมพลาดก็ล้มก็ตายเห็นไหมว่าเหตุแห่งความตายมันเกิดขึ้นง่ายๆนิดเดียวบางครั้งนั่งจัดกระดาษอยู่ดีๆนั่งเปิดหนังสือพิมานกระดาษหนังสือพิมพ์มบาดมือเลือนไหลซิปๆดูสิเหตุแห่งความตายเนี่ยมันง่ายเหลือเกินนะเวลามันจะเกิดชีวิตนี้ท่านจึงบอกว่าเปราะบางยิ่งกว่าแก้วบางเบายิ่งกว่าขนลกุก เพราบางยิ่งกว่าแก้วหมายความว่าตกเมื่อไรแตกบางเบายิ่งกว่าคนนกหมายความว่าพร้อมที่จะปลิดปลิวไปจากตัวเราผู้เป็นเจ้าของทุกเมื่อดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าชีวิตเปรยียบเหมือนน้าค้างยามรุ่งอรุณน้ําค้างยามรุ่งอรุณเราตื่นขึ้นมาลุกไปเดินจงกรมเห็นน้ําค้างใสพราวอยู่บนยอดหญ้าเดินกลับมาอีกรอบไม่เหลือแล้ว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 คุณโยมไปที่น้ำนะเอาไม้ขี่ลงบนน้ำพื้เห็นเป็นเส้นเป็นแนวยกไม้ขึ้นมาน้ำกลืนกันเรียบสนิทไม่มีอรอยให้เห็นชีวิตมันสั้นอย่างนั้นจะทำอะไรต้องเรียบทนะําม่ะแป๊บเดียวเท่านั้นนะมันหายไปเลยเมื่อชีวิตมันสั้นอย่างนี้นะความตายมันจึงเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา อาการละมอรนาเนี่ยเกิดขึ้นเพราะกรรมตัดรอนกรรมจะมาตัดรอนเมื่อไหร่มีสัญญาณร่วงหน้าไหมบางทีก็มีบางทีก็ไม่มีในกรณีที่มีเช่นเป็นอะไรลูกหลานอาจจะฝันว่าฟันกรามร่วงฟันสองข้างเนี่ยหักมั่นมากอาตมาภาพฝันว่ากรามหักยมแม่เสีย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 ศพนั้นคือศพของฉันเองเย็นวันนั้นท่านไปดูละครที่รองละคอนโดยที่ไม่ไม่ใครคาดคิดมือปืนผลอมาจากไหนก็ไม่รู้จ่อยิงท่านตายคาเก้าอี้นี้เรียกว่าความฝันมาบอกก่อนหรือคุณสเศรฐบุตรมหารเล็กที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวัวหรือรัชกาลที่หกทรงโปรโ ด, ดมากก่อนจะตายก็มาเข้าฝัน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 อยู่เฉยๆกันึกอยากรับประทานอาหารที่มันมีส่วนผสมของเลือดของเนื้อหรือคนที่กาสัตว์ตัดชีวิตกึ่งนึกถึงแต่หมูหมากาไก่บางทีคลืม อ, อกคลืมใจร้องออกมาเป็นเสียงหมูหมากาไก่ลูกหลานก็ไม่ทันสังเกตนี้เรียกว่าคตินิมิตมาบอกว่าจะไปทางนั้นดังนั้นคนเราจะตายก็จะมีกรร ม, มนัณฑิต คือมีกรรมบางสิ่งบางอย่างที่ทำเอาไว้นะ่ะมากระตุ้นในทางใดทางหนึ่งทั้งทางตรงทา ง, ทา ง, ทา ง, ทางอ้อมสองก็คือมีบุพนิมิตก็คือมีเหตุล่วงหน้าเช่นสามีไปรบเนี่ยจะตายในรูปที่แขวนไว้อยู่ดีๆตกพุลงมามีอยู่ทั่ววัฒนธรรมทั่วโลกในหนังต่างๆนะคุณโดมไปดูคนรักจะตายจากกันนะจะมเเีเหตุเหตุเหล่านี้ล้วนมีที่มาทั้งหมดแล้วต่อไปก็คตินิมิต คตินี้มิตคือพบดีจะไปเกิดมาสแสดงให้เห็นก็เป็นธรรมดากรรมตัดรอนหรืออากาละมรณะเกิดขึ้นไม่ใช่เพราะว่าเป็นเหตุที่คนอื่นทําให้ก็เรานั่นแหละทํามนุษย์เก็บเกี่ยวในสิ่งที่ตัวเองหว่านเสมออย่าไปคิดว่าคนอื่นมารังแกฉันเลยก็ฉันทําเหตุเราไว้ทั้งหมดนั่นแหละทุกสิ่งทุกอย่างที่เราพบประสบในชีวิตนี้เชื่อมโยงมาถึงตัวเราได้ทั้งหมดกรรมที่เราทําไว้นั่นแหละจึงมาตัดรอน เช่นบางคนนี่ก่อนบวชกำลังเป็นเจ้านาขี่คอยมห้พ่อเน่ะเวียนรอบโบสถ์อยู่ดีๆบวชหนีก็ดีผู้ร้ายตามมาถึงก็ยิงตายตรงนั้นเลยตายทั้งที่สวมชุดนาคนาะบางคนกำลังจะเดินเข้าโบสถ์อยู่ดีๆเนี่ยกรรมมาตัดรอนก้าวข้ามธรณีประตูปุ๊บหัวใจวายตายถ้าบางรูปได้รับพระราชทานโปรดก้าสถาปนาเป็นพระราชาคณะ เตรียมข้าวเตรียมของทุกอย่างพวกนี้จะจับรถจากต่างจังหวัดเข้ามารับพระราชทานพัยดยศที่กรุงเทพคืนนั้นมรณนะภาพอันนี้มีตัวอย่างเยอะเหลือเกินทุกๆปีจะมีข่าวในกรณีอย่างนี้ตลอดนะเรียกว่าบุญมีแต่กรรมบงังกรรมมันมาตัดรอนนั่นเองหรือเด็กบางคนเรียนจบปริญญาแล้วรับ ผลการเรียนที่เรียกว่าพันสคริปต์มาเรียบร้อยแล้วยังไม่ส่งถึงมือพ่อมือแม่เลยแว่เข้าร้านเหล้าฉลองตั้งแต่หัวค่ายันรุ่งสางเลยพอไปฉลองได้เครื่องหนึ่งทะเลาะกับโต๊ะข้างๆแทงกันดับใบปริญญาหรือผลการเรียนยังส่งไม่ถึงมือพ่อมือแม่เลยพ่อแม่ส่งเรียนมาสี่ปีดับอนาบางคนไปรับปริญญาขับรถกลับบ้านทั้งครอบครัวรถไปจมน้ําตกลงข้างทางตายทั้งครอบครัว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 ในสมัยเด็กๆอาตมาภาพเคยจำบทกวีได้บทหนึ่งไพเราะมากไม่ได้ตั้งใจท่องแต่มันก็จำเพราะมันไพเราะท่านบอกว่าคนไม่ถึงที่ตายไม่วายชีวาวา่าใครพิฆาตเข่นฆ่าไม่อาสันแม้นคนถึงที่ตายวายชีวนันไม้จิ้มฟันที่เหงือกยังเสือกตายถึงที่ตายขึ้นมาแล้วนะตายได้ทุกคนพระก็เหมือนกันมีพระรูปหนึ่งทางอีสานเป็นพระนักเทศชื่อดัง เทพอยู่บนธรรมะดีๆพับลงมาจากธรรมะเลยนะตายขาธรร ม, มาะถ้าระดับเจ้าคณะจังหวัดรูปหนึ่งแถวภาคเหนือเป็นประธานเปิดการประชุมยืนให้โอวาทเปิดการประชุมอยู่ดีๆน่ยล้มพับคาโพเดียมตายชมลองดูซิว่าเหตุแห่งการตายเนี่ยมันไว้หน้าอินหน้าพรหมไหมไม่มีกำลังทําความดีอยู่แท้ๆนะกรรมตรอนมาถึงจะบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเ ผมทำความดีกันขอให้นั่งสมาธิให้สาายใจก่อนต่อรองได้ไหมไม่ได้กำลังทำความชั่วอยู่ด้วยความสนุกด้วยความเมามันยังไม่ถึงที่สุดเลยตายได้ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าความตายนี้เปรียบไปแล้วก็เหมือนก้อนหินก้อนมะฮือมาที่กลิ้งมาจากทั้งสี่ทิศมนุษย์เรานี้อยู่ตรงกลางคุณยอมลองนึกจินตนาการดูนะ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 เบื้องหน้าความตายมนุษย์ไม่มีการต่อรองไม่มีการติดสินบนดังนั้นพระองค์จึงตรัสว่าอัดเชวากิ จ, จมาตปังโกชัญญามาระนังสุเวควรทำวันนี้ให้ดีที่สุดเพราะไม่มีใครรู้ล่วงหน้าว่าความตายจะมาถึงในวันพรุ่งตรัสไว้งดงามมาก ควรทําวันนี้ให้ดีที่สุดเพราะไม่มีใครจะล่วงรู้ว่าความตายจะมาถึงในวันพรุ่งเป็นวิธีเจริญมรรณาสติอย่างหนึ่งผู้โยมได้เรียนรู้เรื่องความตายลักษณะแห่งการตายสาเหตุแห่งการตายมาแล้วทีนี้มาดูซิว่าวิธีเจริญมรณสติในชีวิตประจําวันนั้นควรจะทํากันอย่างไรประการที่หนึ่งเรียนเรื่องความตายให้รู้ทันธรรมดา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 ขอประธานโทษแม้แต่การเข้าห้องน้ำพระพุทธเจ้าก็สอนสอนมารยาทในการเข้าห้องน้ำพระองค์บอกว่าต้องกระแอมก่อนเผื่อมีคนอยู่ข้างในในการเคี้ยวข้าวก็สงสอนว่าอย่าเคี้ยวจนแก้มตุยในการรับบาดก็สงสอนว่าอย่ามองดูบาดคนอื่นให้มองดูบาดของตัวเอง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 วิธีเจริญมรณสติในชีวิตประจําวันหรือวิธีรับมือกับความตายอย่างนิสติคหนึ่งเรียนเรื่องความตายให้รู้ทันธรรมดามันต้องเรียนนะไม่เรียนไม่ได้คนไทยนี่มีนิสยัยเรียนทุกเรื่องยกเว้นเรื่องความตายไม่อยากเรียนไปงานศพทํำยังไงไปดูบวงฤทธิเยอะหรือไม่เยอะเขาบอกว่าคนไปงานศพมีหลายสาเหตุบางคนไปนั่งดูหน้า บางคนไปรอท้าดูรองเท้าคู่ไหนสวยๆหยิบบางคนไปรอทานข้าวกับเจ้าภาพข้าวต้มอร่อยอร่อยเนี่ยเราไม่เห็นสัจธรรมชีวิตดอกเราจรึงไม่เคยเรียนรู้เรื่องความตายทั้งๆ ท, ท, ที่ว่ามีเหตุการณ์เกี่ยวกับความตายเกิดขึ้นตลอดเวลานะทั่วโลกไปดูข่าวสิข่าวนัาหนึ่งก็ได้หยิบหนังสือพิมพ์ขึ้นมาเช็คข่าววันไหนไม่มีข่าวเรื่องคนตายขึ้นนัานหนึ่งบ้าง ไม่มีแต่เราก็ไม่ค่อยเรียนนะบางทีเปิดเจอพลิกหนีเลยไม่อ่านอ่านหน้าบันเทิงก่อนดูก่อนดาราคนไหนไปควงกับใครดูก่อนว่า ก, กบเป็นยังไงอ้ำเป็นยังไงนี่เช็คก่อนทุกทีเลยอะ่ะข่าวรถชนไม่อ่านคนข้าวตัวตายไม่อ่านข้ามไปอ่านข่าวบันเทิงอ่านแล้วเป็นยังไงเพลิดเพลินจเจริญใจมีความสุขบางทีเอามาคุยต่อในสภากาแฟ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 ธรรมดาหรือกฎกติกามารยาทของชีวิตมนุษย์มีอยู่ห้าอย่างหนึ่งคนทุกคนเกิดมาแล้วมีอันจะต้องแก่เป็นธรรมดาไม่มีใครร่วงพ้นความแก่ไปได้สองคนทุกคนเกิดมาแล้วมีอันจะต้องเจ็บเป็นธรรมดาไม่มีใครร่วงพ้นความเจ็บไปได้ถามคนทุกคนเกิดมาแล้วมีอันจะต้องตายเป็นธรรมดาไม่มีใครร่วงพ้นความตายไปได้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 เพราะถ้าเราไม่เรียนให้รู้ว่าสิ่งนี้เป็นธรรมดาของชีวิตเวลามันเกิดขึ้นช็อกช็อกซึ่งซึ่งหน้าทำใจไม่ได้ช็อกตามหลังติดๆเขาได้กว่า after s h o c มันดีคืนดีนึกถึงความหลังทุกข์ซ้ำซากอีกในเรียกว่ารีไซเคิลทุกข์เห็นไหมคนไม่รู้ทนธรรมดานะมีแต่ทางเสียเสียค่างโง่ให้กิเลส ท, ทุกข์แล้วทุกอีก ปรับมีคนตายทุกบางค น, เ, นเป็นลมเลยนะร้องโหมร้องไห้หลังจากนั้นสามวันยังทำใจไม่ได้เกิด After อัปเตอร์ช็อะไม่ได้เลยฉันฟังเสียงขึ้นไม่ได้เลยใครพูดถึงทะเลไม่ได้เลยสูนามิเล่นงานมองทะเลก็มองไม่ได้พบกับอุบัติเหตุทางรถยนต์ไม่ขึ้นทดอีกเลยตลอดชีวิตอุบัติเหตุทางเครื่องบินไม่นั่งเครื่องบินหนึ่งเลยตลอดชีวิต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 ไม่ไปดอกโรงพยาบาลในเมืองไทยอ่ะไปทําสัญญกรรมต่างประเทศนั่นทําในเมืองไทยเดี๋ยวเขาเล่ากันไปดึงที่ต่างประเทศพยายามหนีความแก่ด้วยมีดหมอหนีครั้งแล้วครั้งเล่าเป็นสาวพันปีสุดท้ายหนีพ้นไหมไม่พ้นต้องเสียตําแหน่งตัดเล็บให้คนอื่นไปเราจะหนีความแก่ไม่พ้นนี่ทุกคนต้องแก่นะดังนั้นถ้ามันแก่แล้วให้ยอมรับ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 แต่ทางานด้วยกันจีฉจากันตลอดนี่ทานข้าวด้วยกันไปไหนมาไหนด้วยกันทางานด้วยกันออกงานสังคมด้วยกันแต่รับหลังบอกไม่ชอบขีนน้านี่เรียกว่าอาการเจ็บใจบางครั้งมันเจ็บข้างในแต่มันไม่แสดงออกข้างนอกบางคนออกงานสังคมแต่งตัวปริง้งอย่างกับตู้เพชรตู้ทองเคลื่อนที่แต่ข้างในหมนหมองและไม่เกรียม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 แต่คนที่ร้อยปีเนี่ยไม่เคยป่วยใจเลยเนี่ยไม่เคยเจ็บใจไม่เคยทุกข์ใจไม่เคยอิจฉาไม่เคยริษยาไม่เคยโลภไม่เคยโกรธไม่เคยหลงไปหาดูซิมีไหยไม่มีนดังนั้นเรื่องป่วยใจนี้สำคัญที่สุดเราหลบหลีกกันยากมากในโลกนี้คนที่ไม่ป่วยใจมีอยู่สองประเภทเท่านั้นหนึ่งคนบ้า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 คุณไปทำอะไรถ้ามันเจ็บก็ธรรมดาแต่คําว่าธรรมดานี่ไม่ได้ไหมายความว่าอยู่เฉยๆนะไม่ใช่หันเนื้ออยู่ดีๆเนี่ยมันหันนิ้วไปเครื่องหนึ่งเอา้าธรรมดาปล่อยเลือดไหล <c oughs> นี่เรว่างโง่แล้วเดินเอาไปไปรถเฉียวหรืเจ็บขารากเลยบอกว่าผมไม่เอาเรื่องหรอกมันธรรมดานี่ก็งโง่แล้วไม่ใช่ยอมรับเขาเรียกว่ายอมจำนน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 รักษามันก็ยิ่งหายเนี่ยธรรมดาชีวิตก็เป็นอย่างนี้ก็รู้ทันความเจ็บความไข้ซะก็ปล่อยก็วางบางคนเจ็บไข้ได้ป่วยหนักหนาสหัสไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางคิดอยู่นั่นแหละไม่ยอมรับความจริงกโกรธตัวเองว่าทําไมมันต้องเป็นเราทําไมคนอื่นเขาไม่ป่วยปูยเย็นนะ่ะอยู่กลางน้ำเลยนะอายุร้อยหกปี ทากแดด ท, ทากฝนเด็กเอาก้อนหินไปป่าลุกมานึ่งเข้าเตาไปกินเองฝนตกแดดออกงก ง, งนเืน่อนอยู่กลางลำน้ำเพชรไม่ป่วยไม่ไขรฉันนะักธุรกิจพันล้านนะอายุ 45, สี่สิบห้าสมบูรณ์ทุกอย่างวันดีคืนดีดันเป็นมะเร็งลำไส้แคนจริงๆเลยคนที่คนป่วยไม่ป่วยนะหรืคนอย่างฉันเนี่ยมันไม่น่าจะป่วยมันป่วยนยะ แทนลูกศอนลูกที่หนึ่งคือเป็นมะเร็งป่วยเลยลูกศอนลูกที่สองนี่ตอกย้ำเข้าไปหนักขึ้นคือการไม่ยอมรับความจริงป่วยทางใจหนักเข้าไปอีกนี่เรียกว่าป่วยเพราะลูกศอนสองลูกเสียบคนเราถ้าเราป่วยควรป่วยเพราะลูกศรดอกเดียวก็พอแล้วคือให้กายป่วย อย่าไปป่วยเพราะซ้ำซากด้วยการเพิ่มลูกศรในความเจ็บปวดเข้าไปให้เราอีกคำว่าลูกศรเป็นชื่อของความทุกข์ในพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์มีพระนามอย่างหนึ่งว่าสัญระยแพทย์หรือสัพหโลกติกิจชโกแปลว่านายแพทย์ผู้พาตันลูกศรให้กับคนทั้งโลกมีชื่อของพระพุทธเจ้านะดังนั้นลูกศรในความทุกข์นี่มันพุ่งมาปักเราตลอดเวลา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 คนที่เป็นนวดให้ท่านเนีหายใจไม่ทั่วท้องประคองน่านพูด ธ, ธ, ธ้าตคำเข้าห้องน้าท่านป่วยแล้วก็นั่งดูตัวเองแล้วก็ยิ้มถ้าทำอปิดดกหรือหลวงพ่อพระพรหมโคนาพรป่วยลูกศิษย์ไปติดออดหรือกลิ่งไว้ให้รอให้ท่านกดเวลามีอะไรที่จุกและหกขึ้นมาทุกครั้งที่ท่านป่วยตั้งแต่ติดกลิ่งไว้แล้วเนี่ยลูกศิษย์ไม่เคยได้ยินหลวงพ่อกดกลิ่งเลยแต่ท่านก็ป่วยอยู่ประจำบางครั้งก็นกหนักหนาสะหัสแต่ท่านไม่เคยเรียกใครเข้ามาเพราะอะไร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 เจ้าภาพไม่เป็นอันนี้มลท้าเลยทําไมร้องไห้อยู่หน้าโรงศพลูกชายตายแต่ยังหนม่มแต่มาภาพก็ไปกระซิบถามร้องทําไหมเธอบอกว่าไม่น่ามาตายก่อนวัยอันสมควรเลยเราก็ถามว่าแล้ววัยอันสมควรที่โยมอยากให้ลูกตายเนี่ยคืออายุเท่าไหร่แกก็อ้อมแอมตอบก็ไม่รู้เหมือนกันท่าน ลูกอายุแปดสิบนี่ยยมอยากให้ลูกตายหรื อ, อยังไม่มีใช่ไหมไม่ใช่มีลูกอายุแปดสิบแม่เรียกมาลกูกวัยอันสมควรมาถึงแล้วตายได้แล้วมีไหมไม่มีหรอกวัยอันสมควรแก่การตายนะถ้าฟังมนุษย์เนี่ยไม่ให้ตายสักคนนะอยากให้คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายอยู่กับเราเจนน่นหละฟ้าสิ้นดินสลายนะ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 องค์ก็ไม่ได้ครองราชอยาค่ะเรียกว่าอารมณ์สุนทรีหายเลยเออจริงของเองเห็นไหมนี่คือข้อดีของความตายและคนตายนะ่ะใช่ไหมคนรุ่นก่อนไม่ตายเนี่ยเราจะได้เสวยราชเหรอเพราะฉะนั้นที่ตายตายกันไปเนี่ยดีแล้วเปลี่ยนกันบ้างใช่ไหมนางเอกรุ่นก่อนๆไม่ได้ตายเนี่ยรุ่นใหม่ๆ ไ, ไม่ได้เกิดสักคนนะ ใช่ไหมมิตรใช้บัญชาไม่ตายเนี่ยจะมีสรพง์หรืหอสมบัติจะเกิดเหรอฮิตเลอร์ไม่ตายเนี่ยจะมีคนต่อมาหรือซัดําจะเกิดหรือใช่ไหมอับราฮัมลินคอนไม่ตายเนี่ยจะมีจอร์ชดับเบิลยูบุชหรอนี่ที่แต่ตายกันไปนะ่ะดีแล้วประเสริฐเป็นวิถีธรรมชาติเป็นวิถีธรรมดา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 แต่ถ้าเรารู้ไม่เราทันน่ะมันจะร้ายความตายเหมือนอะไรเหมือนหนามหนามมันอยู่ไหนมันก็อยู่กับต้นมันมันจะทำให้เราทุกข์เมื่อไรโยมามือไปจับจับเมื่อไรก็ถูกหนามแทงถ้าเราไม่เอามือไปจับมันก็ไม่แทงแทงเมื่อไรก็ทุกข์ความตายก็เช่นเดียวกันมันก็เกิดขึ้นตลอดเวลานั่นแหละถ้าเรารู้เท่าทันเราก็ไม่ทุกข์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 หนามันแหลมนะเอาเมือออกห่างๆอย่าไปจับให้มันเสียมให้มันต่ำมันก็ไม่ทุกในนิทานประยาเซนเรื่องหนึ่งเนะี่ยมีคนแก่มีเจ๊ขายของคนหนึ่งไปทำบุญขอให้หลวงพ่อเขียนคำอวยพรให้หลวงพ่อก็เขียนคาอวยพรให้เขียนเสร็จแล้วเจ๊นักธุรกิจคนนี้ได้อ่านแล้วเข่าสุดเลย ชีน้าด่าลงแงด่ า, ดา ห, ลหลวงพ่อหลวงพ่อเขียนทำไมอย่างนี้มันไม่เป็นมงคลเลยหลวงพ่อก็บอกไม่เป็นมงคลได้อย่างไงนี่แหละสุดยอดมงคลทำยังไงคำอวยพรที่หลวงพ่อเขียนให้มีอยู่ว่าพ่อตายแม่ตายลูกตายแล้วหลานตายอาแปะไม่เข้าใจหาว่าหลวงพ่อแฉง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 แล้ววันหนึ่งลูกเป็นอัมมาพลึกอั ม, มาพาดพ่อแม่ต้องมาเลี้ยงลูกแล้วลูกตายไปคาอ้อมกอดเหลือสองคนตายายอยู่เลี้ยงดูกันจนแก่จนเฒ่าไม่มีลูกไปฝักผีฝักไข่ทุกไหมทุกหนักหนาสหัสของมนุษย์ก็เป็นอย่างนี้ทุกเพราะว่าไม่ได้ตายไปตามวิทีธรรมชาติดังนั้นปรัชญาพุทธที่หลวงพ่อเขียนให้อาแปะคนนั้นที่บอกว่า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 ธรรมดาเข้าใจแล้วก็ได้แต่อ๋อเท่านั้นเองครั้งหนึ่งนางวิสาขาร้องไห้ไปหาพระพุทธเจ้าเปียกชุ่มไปทั้งเนื้อทั้งตัวเลยเพราะไปทำศพลูกแล้วก็ต้องส่งน้ำในแม่น้ำคงคาล้างบาชําำระกายเศร้าใจมากไปหาพระพุทธเจ้าทั้งทั้งนี้เนื้อตัวยังเปียกชุ่ม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 ทุกครั้งถ้าลูกของเธอตาเธอจะร้องไห้อีกสักเท่าไหร่มีลูกหนึ่งร้องไห้หนึ่งมีลูกสองร้องไห้สองมีลูกสามร้องไห้สามมีลูกสิบร้องไห้สิบมีลูกห้าสิบร้องไห้ห้าสิบความทุกข์ของเราขยายตัวตามความรักของเรารักลูกกี่คนรักมากเท่าไหร่ถ้ามันกลับตาละปัดกลายเป็นความทุกข์ก็ทุกข์มากเท่านั้นรักมากทุกมากหึงมากแฉนมาก ห่วงมากเสียดายมากครอบครองมากทุกข์มากพระพุทธเจ้าเคยตรัสสอนคนบางคนที่ร้องไห้เพราะลูกตายมาหาพระองค์พระองค์บอกว่าน้ำตาที่เคยเธอเคยร้องไห้เพราะลูกตายเนี่ยถ้าจะมารวมกันจะมากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรเธอเคยร้องไห้เพราะเสียลูกมากกี่ครั้งกี่หนแล้วล่ะในสังสารวัตอันยาวนาน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 ในทางใจมันก็ตายอยู่แล้วทุกขณะจิตในทางกายมันก็ตายอยู่ตลอดเวลาเซลล์ต่างๆในร่างกายของเรานี้ตายตลอดเวลาตายตลอดเวลาเลยลองอาบนะ้ำลองถู ด, ดูที่ใครนั่นอะ่ะคือความตายของเซลล์ต่างๆมันสลายตัวมันก็ปล่อยออกมาในรูปลักษณของสิ่งปฏิกูลต่างๆทางทวารทางเก้าดังนั้นภายในเจ็ดปีเนี่ยตัวของเรานี้จะไม่ใช่เราคนเดิมนะ ทุกทุเจ็ดปีเซลล์ต่างๆมันจะเปลี่ยนและมันทดแทนกันทั้งหมดจนเรากลายเป็นคนใหม่ทุกๆุเจ็ดปีนี่ในทางชีววิทยาเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นก็จะเห็นว่าคนเราเกิดตายเกิดตายทั้งทางกายทั้งทา ง, ท ง, ทงจิตตลอดเวลาเราเปลี่ยนแปลงตลอดถ้าคุณโยมเรียนรู้ให้เราดำจะเห็นว่าอ๋อเจ้าความตายนี้ไม่น่าอัศาจรรย์เลยเธอเกิดขึ้นเธอตั้งอยู่แล้วเธอก็ดับไปตลอดเวลา เมื่อมีใครเกิดขึ้นมีใครตั้งอยู่มีใครตายลงเนี่ยก็รู้ให้ทันนะบางคนรู้ไม่ทันหรอกอัตมาภาพเคยเจอไปร่วมงานศพไปชักผ้าบางสุกุลมีญาติคนหนึ่งขึ้นไปดูหน้าศพของญาติประคองกันขึ้นไปหิ้วปีกขึ้นไปอัตมาภาพก็อยู่ใกล้ๆพิจารณาศพพอผู้หญิงคนนี้ไปดูแล้วก็ล้มฟุบลงไปหัวกขมำลงในโรงเลยนะคิดดูเกือบตายกับคนในโรงอีก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 ประเพณีการพิจารณาความตายหรือการเจริญมรณสติเข้ามาในสังคมไทยพร้อมๆกับพระพุทธศาสนาผ่านกิจกรรมสองอย่างหนึ่งกิจกรรมการชักหรือทอดผ้าบังสุกุลสองการเผาศพกลางแจ้งแต่คนไทยใช้ผิดหมดนาเดี๋ยวนี้ถ้ารู้สึกว่าชีวิตมันพระสุขข้าวพระเสาแทกไปหาพระขอให้พระชักบังสุกุลเป็นบังสุกุลตาย เพื่ออะไรจะได้รอดตายแล้วสั่งเคราะห์พระก็ใจดีเหลือเกิดเอาเอาผ้ขาขผาผ้าให้แล้วก็ชักก็ทำตามๆกันไปเนี่ยเรียกว่าศีลและพัฒปรามาสไม่เข้าใจเลยทำไมพระพุทธเจ้าจึงให้ผ้าไปพิจารณาผ้าบางสุกุลหรืออีกในหนึ่งทำไมพระพุทธเจ้าจึงให้พ้าไปดูงานศพไปดูศพไปสวดศพเขาเอาศพไปเผาที่วัดเพื่ออะไร เพื่อให้พระได้เรียนจากศพในสมัยพุทธกาลเนี่ยมีคนตายสัพเพเรอเนี่ยไปเรียนให้พระมาดูศพพระก็ไปดูพอพระไปดูพระก็ปรงสังเวชสังเวชไม่ได้ไหมายความว่าสงสารนะสังเวชก็คือเกิดสติสานึกตระหนักแล้วตั้งอยู่ในความไม่ประมาท แต่คนไทยถ้าพูดถึงสังเวชก็อ้ยเวทนาสงสาร น, นี่ใช้ความหมายไม่ถูกสังเวชในความหมายทางธรรมก็คือเกิดสติแล้วคิดในเชิงบวกพยายามไม่ประมาทในสมัยพุทธกาลมีคนตายเขาจะเชิญหรือนิมนพระไปดูศพแล้วพระก็ไปพิจารณาศพในการพิจารณ า, านั้นพระก็จะกล่าวว่าอนิจจาวัตสังขาราอุปาทวยธรรมไมโน ออปัชิตาวานิรุชันติเตสังอูปสมโมสุโคติความหมายคืออะไรอันนีจาวตสังขารารูปร่างสังขารทั้งหลายมันไม่เที่ยงอย่างนี้เองอุปาธวยธรรมเม่นมีความเกิดขึ้นมีความเสื่อมสลายเป็นธรรมดาอุปัชิตาวานิรุชันติ สิ่งใดเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นก็จะดับไปเตสังวูปะสะมุสุโ ข, ขดับการเกิดการแก่การตายเสียได้ก็มีความสุขคือพระนิพพานบทกวีสีบรรทัด ท, ที่พระใช้นะ่พูดเรื่องหัวใจพระพุทธศาสนาตั้งแต่เรื่องสามัญจนถึงพระนิพพานเลยนะหัวใจวิปัสนากรรมฐานเลยนะเรื่องเกิดดับเรื่องตายรัก สอนตรลักษณ์จนถึงพระนิพพานแต่ทุกวันนี้ทั้งพระสงฆ์องค์เจ้าทั้งคนไทยเวลาได้ยินพระทอดผ้าบังสุกุลหรือพระพิจารณาผ้าบาังสุ kul ถามว่าเข้าใจไหมแทบไม่มีนะเชิญผู้หลักผู้ใหญ่ไปทอดผ้ามหาบาังสุกุลเชิญพระผู้ใหญ่ไปเป็นประธานพิจารณาผ้าบาังสุกุลผ้าก็ไปพิจารณาดูโอ้โหวันนี้ไตรแพร ไหมาจากสวิตของแท้ได้มาแล้วหนีบรักแร้นั่นเนาะใรจะมัดยั่งเช่ะนะนี่ไปพิจารณาภ้าบางสุกุลน่ได้มาแต่ผ้าไม่เห็นเลยว่าวันหนึ่งตัวเองก็จะตายไม่เข้าใจสัตธรรมของชีวิตว่ามันคือความไม่เที่ยงดูซิว่าเราเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมที่แสนท่งคุณค่าแต่เราไม่ได้รู้สึกกันเลย ญาติโยมก็เหมือนกันไปให้พระพิจารณาภาพบางสุคุณมันจะส้่งเคราะห์สังโสกสั่งโรคสังค่สงภัยได้ยังไงตราบใดที่เรายัา ง, งโง่อยู่คนที่มีเคราะห์คือคนที่งโง่มากๆงโง่มากเคราะหมากคนที่มีปัญญามากๆถ้าเคราะหเกิดขึ้นก็พลิกเคราะห์ให้เป็นปัญญาเลยสอบตกก็เรียนรู้เพื่อที่จะสอบใหม่ให้มันได้ป่วยไข้ก็เรียนรู้ที่จะอยู่กับความป่วยไข่อย่างมีความสุข นี่เรียกว่ามีปัญญาเนี่ยแปลเคราะห์ให้เป็นโชคแต่พองโง่มากๆเนี่ยโชคมาอย่างทีปัดให้เป็นเคราะหเลยนะถูกรางวัลได้หนึ่งห้าสิบสองล้านยังกินยาฆ่าตัวตายนะหนังสือพิมพ์ไทยรัฐลงข่าวทำไมกินยาฆ่าตัวตายญาติมารุมขอเยอะเกินไปแบ่งยังไงก็ไม่หยุดนี่พอมันโง่แล้วเนี่ยมันแปลโชคให้เป็นเคราะห์ดูสิมนุษย์น่ะ กิจกรรมอีกอย่างหนึ่งที่ซึ่งเรารับมาแล้วสอนเรื่องความตายการเผาศพกลางแจ้งสมัยก่อนบ้านอ่ตมาภาพนี้เผาศพกลางแจ้งสองสามปีมานี้เดี๋ยวนี้มีเมนเผาศพแล้วคณะกรรมการวัดคณะกรรมการบ้านก็บอกเชิญหน้าชูตามมากเลยเดี๋ยวนี้บ้านเราก็มีเมนเป็นเรื่องที่ดีอัตมาภาพบอกไม่ดีเลยฉันไม่ชอบเพราะอะไรเผาศพเนี่ย พักลงเข้าตู้เผาแล้วเนี่ยทุกคนเดินกลับบ้านไม่เกิดอะไรขึ้นในทางพุท ธ, ธิปัญญาไม่เข้าใจสัาธรรมของชีวิตแต่สมัยก่อนนะเวลามีคนตายทุกหลังคาเรือนในหมู่บ้านต้องเอาฟืนไปบริจาคคนละหนึ่งดุ้นทุกหลังคาเรือนต้องไปรับเอาข้าวสารจากบ้านที่มีงานศพมาช่วยกันนึ่งช่วยกันหุงแล้วไปเลี้ยงแขกที่มางานศพ วันเผาศพต้องเอาฟืนไปร่วมเป็นเจ้าภาพหนึ่งหลังคาเรือนต่อฟืนหนึ่งดุนเราได้อะไรได้น้ำใสใจจริงเอาฟืนไปร่วมเผาศพเพื่ออะไรเพื่อวันหนึ่งถ้าเราตายเขาก็มาร่วมกับเราช่วยกันหงข้าเป่าไฟเพื่ออะไรสงเคราะห์มิตรในยามยากเห็นไหมมิตรจิตมิตรใจเกิดขึ้นพริกบ้านเหนือเกลือบ้านใต้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 เป็นประเพณีสืบมาไม่ใช่รถแต่ใช้มือนิจูงกันไปล่ากันไปจนถึงเชิงตะกอดเจ้าภาพศพอยู่ในอาการเศร้าสลดแต่เห็นคนในหมู่บ้านมาสมัครสมานสามัคมคีก็มีกำลังใจจัดงานศพเออสามีฉันลูกฉันมันตายชาวบ้านก็ไม่ทิ้งเห็นไหมท่ามกลางชีวิตที่กำลังว้าวเวเพอเห็นชาวบ้านมาช่วยงานศพก็เกิดกาลังใจคนโยมดูซิว่างานศพเต็มไปด้วยธรรมะ พอเอาไปเผากลางแจ้งยกขึ้นวางบนเชิงตะกอเผาทุกคนนั่งอยู่ในป่าช้ารอดูสัปปสบปเลเเผาศพพร้อมอกพร้อมใจในระหว่างที่เผาเห็นคนตายเห็นไฟเห็นเปลวเพลิงเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นนิรัศการกลางแจ้งอยู่บนเชิงตะกอนเห็นไฟกลาลังลามเลียกองปืน เห็นคนที่นอนอยู่ในโลงศพถูกไฟเผาไหม้ทีละน้อยทีละน้อยเห็นรูปร่างสังขารเส้นเอ็นต่างๆที่ถูกไฟเผาแล้วมันตึงมันเคร่งมันดึงขึ้นมาบางทีศพลุกขึ้นมาเพราะเส้นเอ็นมันตึงมันถูกไฟไหมไฟเผาเกิดมรณสติเห็นว่าออ้ยชีวิตเป็นอย่างนี้นะกลับมาภาพพิมใจ บนโชิตะก่อนก็ติดหูติดตามาสอนตัวเองว่าถ้าเราประมาทเราก็จะตายนะวิจจงานศพหนึ่งงานทุกครั้งที่มีใครตายฉลาดขึ้นตลอดเดี๋ยวนี้พอมีอบอตอได้งบประมาณมาสร้างเมรซื้อรถไว้คันหนึ่งสำหรับลากจูมยกลงขึ้นบนรถขับรถนำหน้าคนไปทำยังไง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 โบราณอาจารย์ท่านสอนไว้ดีมากแต่เราไม่เอาทิ้งกันหมดเลยสมัยก่อนที่บ้านอาจารยาพเวลามีงานศพตอนที่เอาคนตายลงมาจะเอาบรรจุบนปราสาทราชรถนะเขาจะให้สัปะเร่อทุกหม้อ น, น้าคาบันไดเลยนะทุบให้แตกโผะเลยทุบทำไมไม่มีใครรู้เลยไปถามใครไม่มีใครรู้ทั้งบ้านทั้งมคณายกทั้งอาจารย์วัดไม่มีใครรู้ พอมาเรียนบาลีอตาตมาภาพถึงรู้ทุบมอน้ำทุกคนโพในขนาดที่จุงสบลงจากบ้านเพื่ออะไรท่านบอกว่าเป็นประเพณีทุบขันห้าทุบทําไมก็ทุบให้คนที่ยังมีชีวิตอยู่มันเห็นว่าสักวันหนึ่งขันห้าก็จะแตกนะแตกเหมือนหมอน้ําเลยใครคือขันห้าก็คนเป็นๆทั้งหลายเนี่ยคือขันห้าเราคือกองรูปกองเวทนากองสัญญากองสังขันกองวิญญาณ สักวันหนึ่งเราก็จะแตกเหมือนหม้อน้ำดูสิปริศนาธรรมที่โบราณอาจารย์ฝากให้ลูกไทยหลานไทยทั้งหลายมันเต็มไปหมดจูงศพออกจากมันจุดประทัดส น, นันลั่นปะเถีก่อนที่บายกันว่าเป็นการบอกให้ศพรู้ว่าออกจากบ้านแล้วนะอย่ามาสิงอย่ามาสถทิตยอยู่ที่นี่ความหมายในทางธรรมที่ได้จริงคืออะไรชีวิตเหมือนตระทัดนะเดี๋ยวก็แตก แตกแล้วเป็นยังไงเหลือแต่ฟองแต่แฝ่หายไปกับดินกับหญ้าไม่เหลือแก่นเหลือสารอะไรเลยคนเราก็เป็นเหมือนประทัดละโอ้โหดังระเบิดเถิดเทิงเลยป๋าเปรมสิปีที่แล้วป๋าเปรมดังมากมากแต่เดี๋ยวนี้พอคนพูดถึงป๋าเปรมก็อ๋อไม่มีอะไรสมัยก่อนถ้ะพูดถึงนิรทหารทั้งกองทัพนี่ยำเกรงนะเดี๋ยวนี้พูดถึงป๋าก็อ๋อธรรมดา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 ดูสิท่านสอนกันมาอย่างไรแต่เดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยเอากันแล้วไม่ค่อยสนใจทุกสิ่งทุกอย่างทำสั่งแต่ว่าทำถ้าทามาปีดอกบอกว่าทีท่ีกรรมต่างๆทุกวันนี้ในสังคมไทยนี่มันเหลือแต่ซากสวดศพก็สว ด, สวสวดชนิดที่ว่าเหลือแต่ซากของการสวดพิจารณาพระบางสุกุลก็เหลือแต่ซากของการพิจารณาบางทีมีคนเอาศพเข้าวัดมาเนี่ย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 ธรรมดาของชีวิตประการที่สี่คืออะไรคนทุกคนจะพลัดพราก ค, ความพลัดพรากนี้ก็เป็นธรรมดาของชีวิตบางทีไม่ต้องรอให้ตายนะเราพลัดท่าอยู่แล้วเช่นพลัดพรากจากพ่อจากแม่ลูกหลานทั้งหลายไม่มีใครอยากจากพ่อจากแม่แต่แมภาพก็ไม่อยากจากยมพ่อยมแม่นะแต่ก็มีเหตุให้ต้องจากเราต้องมาเรียนในกรุงเทพ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 เรื่องสำอางขวดละแสนก็เอาไม่อยู่สุดท้ายที่เรารักทุกอย่างมันก็จะไปจากเราหมดนะหน้าตาผิวพรรณรูปร่างสาติปัญญาสุดท้ายสิ่งที่บางเบาที่สุดในชีวิตไม่กินเนื้อที่ไม่มีน้ำหนักคือลมหายใจก็ยังปลิวไปจากเราเราเอาไว้ได้ไหมกอดไว้ไม่ได้เหมือนเดิมดูสิว่าในชีวิต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 เข้าใจชีวิตเนี่ยเนี่ยเข้าใจชีวิตแล้วเด็ดขาดได้ตายก็ตายน่ะมีอะไรหรอกยมแม่ตาประภาพป่วยด้วยโรคหอบหืนท่านบอกว่าเอาไปโรงพยาบาลลูกหลานถามว่าถ้ามันหนัก่หรอยมแม่บอกถึงดีสุดก็ตายเพราะนั้นก็ตายเป็นผู้หญิงที่ใจเด็ดมากตายนไม่อาทรร้อนใจอะไรอยู่ไม่ได้ก็ตายลูกหลานนใจแป้วแต่ยมแม่ใจเด็ดตายไม่เป็นไร นี่เรียกว่าเข้าใจความพลัดพรากมาเป็นธรรมดาของชีวิตแล้วพร้อมอยู่พร้อมไปพร้อมตายพร้อมพรัดพรากไม่กลัวหรอกวันนี้มีชื่อมีเสียงพรุ่งนี้เป็นดาวอับแสงก็รับได้เพราะอะไรชื่อเสียงก็พรัดพรากจากเราวันนี้มีอยู่มีกินอีกวันหนึ่งเป็นยาจกเข็นใจก็รับได้เพราะอะไรความมีอยู่มีกินก็พัดพรากจากเราวันนี้มีเงินมีทองคืนนี้ไฟไม่บ้านเหลือแต่เสื้อผ้า ติดเนื้อติดตัวก็ทำใจได้ทุกอย่างก็พลาดพลาดจากเรามีลูกมีหลานรักปานเก้วตาดวงใจอยู่มาวันหนึ่งเขาพลาดพลากจากเราก็รับได้เพราะอะไรธรรมดามันก็เป็นอย่างนี้ก็จะต้องทัดต้องพลากเป็นธรรมดาเมื่อนกันหมดนี้ถ้าเราเข้าใจว่าชีวิตมันเต็มไปด้วยความพลัดพาเราเวียนไหวลอยคออยู่ในกระแสแห่งการพลาดพลาเราก็จะเข้าใจ เมื่อมีใครมาล้มหายแากจากไปโยมก็อ๋อมันก็เป็นอย่างนี้ธรรมชาติของแก้วมันก็ต้องแตกธรรมชาติของน้ํามันก็ต้องไหลธรรมชาติของจันทร์มันก็จะส่องแสงนะธรรมชาติของลมมันก็จะพัดธรรมชาติของปืนนุ่นมันก็จะเปลวคุณโยมดูสิถ้าเราเข้าใจธรรมชาติรับได้เข้าใจได้แต่เราเรียนเรื่องพลับพลาไม่ใช่เพื่อให้เพื่อหดหู่นะ เรียนเรื่องทัดพระไม่ใช่เพื่อโหดโหดแต่เพื่อที่จะอยู่กับคนที่เรารักอย่างดีที่สุดไม่ใช่บางคนทําใจไว้แล้วสามีไปทํางานกรุงเทพหนึ่งปีไม่กลับอ๋อช่างหัวมันธรรมดาอย่างนี้ไม่ได้นะไม่ได้มาฟังธรรมะกลับไปบ้านโจรปล้นเซบหายไปล้านหนึ่งอ้อธรรมดามันก็พัดพรกอันนี้ไม่ได้นะเออไม่ได้ นั่งอยู่ที่นี่ลมหายใจปลิวออกไปแล้วไม่ปลิวเข้ามาก็พลัดพากก็ธรรมดาก็ไม่ได้เราเรียนเรื่องพลัดพากไม่ใช่เพื่อปล่อยตัวปล่อยใจเ ร, เรียนเรื่องพลัดพากเพื่อให้อยู่กับคนรักและของรักอย่างดีที่สุดนั่นหมายความว่าถ้าเรายังมีพ่อมีแม่อยู่มีคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายมีสามีพันธยามีลูกแก้วเมียขวัญอยู่ก่อนที่เขาจะพัดพาคจะเราไปวันใดวันหนึ่งขอให้อยู่กับเขาอย่างดีที่สุด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 ต้องปลูกให้เราตื่นจากความฝันคุณยมคิดดูว่ามันเฝ้าขนาดไหนคุณยมเคยฝันมาตกจากที่สูงแล้วสะดุ้งตื่นไหมทำไมต้องสะดุ้งตืน่นนั่นหมายความว่าถ้าสิ่งที่มันกระทบกระเทือนจิตใจของเราในความฝันมันมากเกินลิมิตที่จิตจะรับได้จิตจะปลูกให้เราตื่นทันทีเช่นเดียวกันอาจารถ้าฝันว่าหลานดวงตายแล้วอุ้มขึ้นมาดูเนี่ยอะไรรักมากจนอ้าจนสุดท้ายสะดุง้ง พอตื่นขึ้นมารู้ว่าเป็นความฝันใจชื้นเปิดไปดูหน้าหลานตัวเองมันนอนอยู่ใกล้ๆนะ่ะออมันยังอยู่พอมันยังอยู่เราก็รู้สึกว่ารักหลานของเรามากขึ้นเป็นร้อยเท่านะ่ะถ้าไม่รักมากขึ้นก็ตอนในฝันนะเห็นว่าเขาตายไปเราเสียใจได้ขนาดนั้นนะตื่นขึ้นมาพบว่ายังอยู่เราเริ่มเห็นคุณค่าของสิ่งที่ยังอยู่นะ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 แต่ถ้ามันยังอยู่ก็ดูแลกันอย่างดีที่สุดธรรมดาของชีวิตประการสุดท้ายคนทุกคนมีกรรมเป็นของตัวเองเราทำกรรมสิ่งใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามจะต้องเป็นทายาตรับผลของกรรมนั้นทั้งหมดคุณจะไปทำไว้ที่ไหนต่อหน้ารับหลังในห้องหับอันโอลานหรือระหโหฐานก็ตามหลอกคนอื่นได้ทั้งโลกแต่คุณไม่สามารถหลอกจิตสานึกของตัวเองได้ จิตของคนเรามีสองระดับหนึ่งเรียกว่าวิถีจิตหรือปกติจิตคือจิตธรรมดาที่เรียกว่าสามัญสำนึกสองผ้าวังขจิตคือจิตใต้สำนึกทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทํากรรมในขณนะที่มีปกติจิตนี้จะถูกบันทึกลงในผ้าวังคจิตแล้วตัวผ้าวังขจิตนี้จะกลายเป็นเหมือนกล่องดาของเราที่เก็บบันทึกทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทําเกิดพบไหนพบนั้นสิ่งที่เราทํากลายเป็นพ้าลังกรรมที่ตามไปให้ผล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 เราเข้าใจว่ากฎแห่งกรรมเป็นธรรมดาของชีวิตแล้วไม่ใช่เพื่อให้ยอมจำนนแต่เพื่อให้เลือกทำแต่กรรมที่ดีงามเหลี่ยงนี้กรรมชั่วนี่ธรรมดาของชีวิตหประการเราต้องเรียนรู้ให้เต้ทาทันเพื่อเสริมการเจริญมรรณสติสรุปอีกครั้งหนึ่งก็คือว่าหนึ่งคนทุกคนเกิดมาแล้วจะต้องแก่ไม่มีใครร่วงพ้นความแก่ไปได้สองคนทุกคนเกิดมาแล้วจะต้องเจ็บไม่มีใครร่วงพ้นความเจ็บไปได้ สามคนทุกคนเกิดมาแล้วจะต้องตายไม่มีใครล่วงพ้นความตายไปได้สี่คนทุกคนเกิดมาแล้วจะต้องพัดคาาจากคนรักของรักไม่มีใครล่วงห้นจากความพัดคาาไปได้และห้าคนทุกคนเกิดมาแล้วมีกรรมเป็นของของตนทำกรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามเป็นพายาตรับผลของกรรมนั้นๆด้วยตนเองนี่คือวิธีเจริญมรณสติในชีวิตประจำวันอย่างที่หนึ่ง วิธีเจริญมรณสติในชีวิตประจำวันอย่างที่สองก็คือฝึกเจริญมรรณสติให้เคยชินด้วยการหนึ่งเจริญมรณสติตามวิธีในปฐมมรณสติสูตรคืออย่างที่อาตารย์รยกมาเล่าในตอนแรกนั่นก็คือว่าเราควรจะเรียนรู้ที่จะเจริญมรณสตินั่นคือหนึ่งคืนหนึ่งวันเจริญมรรณสติครั้งหนึ่ง 2วันหนึ่งเจริญมรณสติครั้งหนึ่งสกึ่งวันหรือครึ่งวันเจริญมรณสติครั้งหนึ่งแล้วสี่ช่วขณะฉันอาหารหมื้อ1นเสร็จแล้วก็เจริญมรณสติครั้งหนึ่ง 5. ้าฉันอาหารได้กึ่งมือ้อหรือครึ่งมื้อน่ยทานไปแล้วกําลังอ ร, อ, ร อ, อร่อยอร่อยก็หยุดเจริญมรณสติสักทีหนึ่ง6ชั่วงขณะฉันข้าว4 5คําคก็เจริญมรณสติครั้งหนึ่งแล้ว7ด ช่วขนาดชันข้าวเสร็จหนึ่งคำก็เจริญมรณาสติครั้งหนึ่งแล้วแปดหายใจข้าวหายใจออกเจริญมรณสติกํากับทุกลมหายใจข้าวออกนี้เป็นวิธีเจริญมรณาสติในชีวิตประจําวันอย่างที่หนึ่งอย่างที่สองเจริญมรณาสติยามได้ข่าวคนตายคุณโยมได้รับรู้รับฟังว่ามีคนตายที่ไหนใครตายก็ขอให้น้อมเข้ามาสอนตัวเองว่าเราก็จะตาย คนท้งต่างจังหวัดสรงข่าวบอกว่าญาติตายอ่านหนังสือพิมพ์พบข่าวคนตายดูโทรทัศน์พบข่าวอุบัติเหตุก็เจริญเข้าไปน้อมมาหาตัวเองว่าอ๋อคนทั้งหลายที่ต า, ตายตายเนี่ยก็เหมือนกับเรานะเขาก็ตายวันหนึ่งเราก็จะตายเหมือนเขาไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยเขาตายได้เราก็ตายได้นี่น้อมเข้ามาหาตัวเองอย่างนี้เรียกว่าเจริญมรณสติยามได้ข่าวคนตาย สามเจริญมรณาสติยามไปร่วมงานศพเวลาเราไปร่วมงานศพอย่าไปติดใจว่าอูโหูเจ้าภาพจัดงานศพรูมากมากๆวงรีดเป็นร้อยติดอกติดใจคนมาร่วมงานเยอะจริงจริงแสดงว่าคนตายมีบารมีบางทีไปร่วมงานศพโอ้โหงานนี้เอาท่านนายกมาเป็นประธานยิ่งใหญ่จริง ๆ, งๆไปติดแต่เปลือกของงานศพหมดเลยไม่ได้กล็ ทุกครั้งที่ไปร่วมงานศพขอให้นึกว่าคนที่นอนอยู่ในโลงกับเราซึ่งไปงานศพเท่ากันนะเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปนอนอยู่ในโลงแหละสอนตัวเองอย่างนี้หรือทุกครั้งเวลาไปไหว้ศพคำไหว้ศพจะมีอยู่ว่าอาวัตสังมะยามริตพังคุณโยมเคยแปลไหมเวลาไปไหว้ศพเขาจะเขียนเป็นคำบาลีเอาไว้อวัตสังมยามริตพัง คนที่ไม่รู้ก็ไหว้ปลกประลกสามครั้งแต่ถ้ารู้ความหมายนะจะเข้าใจอวสังมายามาริตะพังแปลว่าตัวเราก็จะตายเป็นแน่แท้ตัวเราก็จะตายเป็นแน่แท้ตัวเราก็จะตายเป็นแน่แท้ทุกครั้งที่ไหว้ศพจริงๆไม่ได้ไหว้ศพนะแต่คือไหว้ศพเพื่อสอนตัวเองนะไม่ได้สอนศพ ถ้าเราเข้าใจความหมายอ๋อคําไหว้ศพที่บอกว่าอาวัตสังมะยามะริตัพพังก็ ค, คือการสอนว่าฉันก็จะตายนั่นเองทุกครั้งที่เราไหว้ศพเราจะไม่ประมาทมีสติเพิ่มขึ้นนี่ไปงานศพถูกต้องคือต้องได้สติอย่างนี้เรียกว่าเจริญมรณสติยามไปร่วมงานศพต่อไปเจริญมรณสติก่อนนอนเจริญมรณสติก่อนนอนทํายังไง จเจริมระนัสติก่อนนอนเนี่ยก่อนหลับตานอนก็นึกสอนตัวเองว่าตายหนอตายหนอตายหนอหรือนึกว่าเราจะตายเราจะตายเราจะตายนึกแล้วเนี่ยจะได้ไม่ประมาทในชีวิตนึกแล้วจะไม่ได้ดูถูกดูหมิ่นคนอื่นคนที่ไม่นึกว่าตัวเองจะตายเนี่ยจะใช้ชีวิตดูถูกดูหมิ่นคนอื่นนะจับตาจับผิดคนอื่นดูซิคนนั้นเป็นอย่างนี้ดูซิคนนี้เป็นอย่างนั้น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 ตายก็ไม่กังวลรอวันเวลาที่ความตายจะมาภาคตัวเองเหมือนกับคนงานรอเวลาเลิกงานตีะระฆังกิงเมืออ่อไหรก็เมื่อนั้นวางงานแล้วก็ไปไม่อะไรนี่เรียกว่าอา น, นิสงส์การเจริญมรณสติจะเป็นอย่างนี้คือมันจะชัดมากก่อนนอนก็เจริญซะหน่อยถ้าไม่นึกว่าตายนอตายหน่อยจะเจริญแบบเป็นแบบแผนก็ได้ เรียกว่าจะเจริญตามแบบแผนก็คือมีคำให้พิจารณาด้วยอัตมาภาพเขียนไว้ในหนังสือขึ้นนอกขึ้นไหนจะลองอ่านให้ฟังว่าจเจริญแบบเป็นแบบแผนเป็นอย่างไรก็คือมีคำภาษาบาลีสําหรับให้ท่องให้บริกรรมเช่นบริกรรมว่าทุวังมรณงความตายเป็นของยั่งยืนอวัตสังมายามริตพังตัวเราจะพึงตายเป็นแน่แท้ มรณะปริโยสานังเมชีวิ ต, ตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดชีวิตตังเมอานิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณงเมนิยตังแต่ความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตะควรที่จะสังเวทอะยังกาโย ο, ร่างกายนี้อะจีรังมิยั่งยืนอาเปตาวิญญาโนขันปราศจากวิญญาณ ชุดโดอันเขาทิ้งเสียแล้วอธิเสสติจากนอนทับถมซึ่งแผ่นดินกะลิงข้ารังอีวะประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนปืนนิรัตถังหาประโยชน์อันใดมิได้นี่เป็นคำบริกรรมเวลาเจริญมรณสติอย่างเป็นแบบแผน เมื่อเราเจริญมรณสติทุกๆครั้งเนี่ยก็เหมือนกับเรารดน้ําให้ต้นไม้ของเราทุกครั้งที่เรารดน้ําต้นไม้ต้นไม้ก็จะดูดซับอน้าไปหล่อเลี้ยงรากหล่อเลี้ยงลําต้นให้เจริญงอกงามชั้นใดทุกครั้งที่เราเจริญมรณสติเท่ากับว่าเรารดน้ําให้กับมเมล็ดพันธุ์แห่งความไม่ประมาทในหัวใจของเราเจริญมรณสติวันลลนิธและหน่อยเราได้บําเพ็ญอัปปามาธาธรรม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 ความไพ่บุ์ของสติสัมปชัญญะได้ด้วยเนี่ยคืออันนี้สองของการเจริญมรณสติทีนี้ธรรมภาพผู้เรื่องมรณสติมามากพอสมควรแล้วอยากจะยกตัวอย่างสักนิดหนึ่งว่าคนที่เขาเจริญมรณสติแล้วเนี่ยได้ผลยังไงมีเรื่องเรื่องหนึ่งซึ่งพระพุทธเจ้าเคยเล่าเอาไว้ในสมัยพุทธกาลแล้วก็มีพระอัฏฐกะถาจารย์ผู้อธิบายคําสอนนี้นํามาเล่าคือมีคนอยู่ห้าคน ในคนแห่คนนี้ครอบครัวเป็นกัลยาณชนพูดง่ายๆว่าเป็นคนดีมีสัมมาทิฏฐิจะสอนคนในครอบครัวอยู่ประจำว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงเธอทั้งหลายต้องไม่ประมาทสอนทุกวันวันหนึ่งผู้เป็นพ่อไปทานากับลูกชายในระหว่างที่ทานาตอนเช้านั่นเองลูกชายไปขุดคุยขยะที่ข้างจอมปลวก ปรากฏว่าถูกงูที่อยู่ที่จอมปลวกนั้นกัดจนถึงเก่ความตายผู้เป็นพ่อตามหาลูกชายมาพบว่าลูกชายนอนตายจนตัวเขียวแล้วเนี่ยแทนที่จะตกใจไม่ได้ตกใจเห็นลูกชายนอนตายอยู่ข้างจอมปลวกเพราะความที่เคยเจริญมรรคสติอยู่เป็นประจำผู้เป็นพ่อก็นึกในใจว่าอ๋อความตายที่เราเคยพูดพูดกันวันนี้สิ่งนี้ได้เกิดขึ้น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 ในข่าวสารนั้นไม่มีการบอกเลยว่ามีคนตายแต่ทุกคนเข้าใจว่าต้องมีคนตายเกิดขึ้นพอมาถึงก็ปรากฏว่าผู้เป็นแม่ก็เห็นว่าลูกชายของตัวเองตายจริงๆผู้เป็นภรรยาก็เห็นว่าสามีของตัวเองตายจริงๆผู้เป็นน้องสาวก็เห็นว่าพี่ชายของตัวเองตายจริงๆผู้เป็นคนใช้ก็เห็นว่านายของตัวเองตายจริงๆแต่ทุกคนมายืนมองดูศพไม่มีน้ําตาแม้แต่หยดเดียวไม่มีเสียงร้องไห้คร่าครวญทุก คนเข้าใจสัรธรรมของชีวิตแล้วภาวนาว่าชีวิตเป็นอย่างนี้มีเกิดขึ้นในเบื้องต้นดำรงอยู่ในท่ามกลางสุดท้ายก็จะแตกดับผู้เป็นแม่ก็บอกว่าลูกชายของฉันตอนที่มาเกิดฉันก็ไม่ได้เชิญเขามาอย่างไรเขาก็ไปอย่างนั้นเหมือนงูลอกคราบรูปร่างสังขารใช้แล้วมันข้ามข้าก็เปลี่ยนมือกันไปเช่นนั้น ฝ่ายภรรยาก็บอกว่าสามีของดีฉันก็เหมือนหม้อน้ำใบหนึ่งใช้ไปสักพักธรรมชาติของหม้อดินก็ต้องแตกแต่ละคนก็ถัดเปลี่ยนกันกล่าวทรมสองเว็ไม่มีใครร้องห่มไม่มีใครร้องไห้สุดท้ายช่วยกันทำศพลูกชายแล้วก็กลับบ้านยังมีความสุข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 นี่เห็นได้อย่างว่าอา น, นิสงฆ์ของการเจริญมรรคสติเป็นอย่างนี้ถ้าเราเจริญแล้วเราก็เป็นอย่างนั้นจริงๆตัวอัตามภาพก็เช่นกันช่วงหนึ่งเนี่ยโยมพี่ของอัตามภาพเสียเพราะว่าตัเองเสียใจมากตั้งใจว่าถ้าเจอยอมมาทู่หรือยมมาบานข้างทางนี้จะเข้าไปชกเลยนะแต่อยู่มาอีกสองปียมแม่เสียอัตามภาพสงสัยว่าทําไมตัวเองไม่ร้องไห้ ก็เห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวเองชัดว่าพอเข้าใจโลกเข้าใจสัจธรรมแล้วเนี่ยมันใช้ในสถานการณ์จริงได้จริงๆคือเราไม่เพียงแต่ไม่เศร้าแต่เราจัดการกับชีวิตได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็เวลาไปเทศไปสอนคนอื่นเราก็สามารถเทศจากประสบการณ์ตรงได้ดียิ่งขึ้นชัดขึ้นอันนี้แหละคืออา น, นิสงของการเจริญมรรณาสติซึ่งเกิดขึ้นในชีวิตได้จริงๆ อย่างไรก็ตามอา น, นิสงส์งของการเจริญมรณาสตินี้ยังมีอยู่อีกหลายประการซึ่งธรรมภาพได้ประมวลมาไว้วันนี้จะอ่านให้คุณโยมทั้งหลายฟังเป็นการสรุปในเรื่องการเจริญมรณาสติจากปฐมมรณสติสูตรในคัมภีร์วิสุทธิมัชเนี่ยท่านจะรวบรวมอา น, นิสงส์งของการเจริญมรณสติเอาไว้แล้วธรรมภาพได้ค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยดังนั้นก็จะสรุปให้เกล้าทั้งหลายฟังว่า ปัทมมรณสติสูตรหรือพระสูตรที่ว่าด้วยการเจริญมรณสติในวันนี้ถ้าเราจับสาระแก่นสารได้นำมาใช้ได้ในชีวิตจริงๆ จ, จะได้รับอานิ 3. สง์หรือประโยชน์อะไรบ้าง 1. ดําดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท 2. ปล่อยวางความยึดติดถือมั่นในสิ่งทั้งปวงสาไม่ห่วงหาอะไรในชีวิตในเมื่อถึงวาระสุดท้ายสี 4. ละอายชั่วกลัวบาปคือเลือกเฟ้นทาแต่กรรมที่ดี และแห้ไม่ละโมบในทรัพย์สมบัติเพราะถึงที่สุดก็ต้องทิ้งสิ่งเหล่านี้ไป 6. เข้าใจสัจธรรมแห่งชีวว่าไม่เที่ยงแท้มีความผันแปรเป็นธรรมดาเจไม่กลัวความตาย 8. ถึงเวลาตายตายอย่างสงบ 9. เป็นพื้นฐานของการเจริญสมาธิภาวนาในเรื่องสูงขึ้นไปและสบตายไปแล้วย่อมถือกำเนิดในสุขติพบ ทำไมจึงกําเนิดในสุขติภพเพราะคนตายเนี่ยพระพุทธเจา้าบอกว่าก่อนตายถ้ามีจิตเศ้าหมองไปทุคติแต่ก่อนตายถ้าจิตผ่องใสไปสุขติคนที่เจริญมรณสติอยู่เสมอเนี่ยจะตายด้วยจิตที่ผ่องใสไม่เศ้าหมองไม่ลนลานตายไม่หลงตายเมื่อไม่กลัวตายไม่ลนลานตายไม่หลงตายคือตายด้วยจิตผ่องใสก็ต้องไปสู่สุขติ อันนี้เป็นธรรมชาติอันเป็นธรรมดาของคนที่เจริญมรณสติอยู่เป็นประจำอตาตมาพ่อได้กล่าวธรรมบัญญายเรื่องปฐมมรณสติสูตรคือพระสูตรที่ว่าด้วยการเจริญมรณสติมาพอสมควรแก่เวลาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ได้บรรยายมาทั้งหมดในวันนี้จะทาให้เราท่านทั้งหลายมีความเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งบทเรียนเกี่ยวกับความตาย ซึ่งเป็นบทเรียนสุดท้ายของชีวิตที่ไม่มีมนุษย์หน้าไหนหนีพ้คนคงจะกระจายแก่ญาติโยมทั้งหลายเป็นอย่างดีในท้ายที่สุดแห่งการบรรยายในวันนี้ธรรมภาพขออ้า ง, งอิงเอาคุณพระศรีรัตนตรยัยตลอดจนถึงคุณงามความดีที่เราท่านทั้งหลายได้มาร่วมกันฟังธรรมะในวันนี้จงมารวมกันเป็นตบ่เดชพละวะปัจัยอำนวยอวยใจให้ทุกท่านทุกคนจเจริญไปด้วยความสุข และประกอบไปด้วยจตุรพิตพรคืออายุวันนะสุขะละปฏิพานธนสารสมบัติทุกท่านทุกคนเิอ